เรายังมีความลุกติดย่อยลิงมากจนวุ่นไปหมดนั่นเข้ามาพวนใจจึงหาความสงบไม่ได้เนี่ยมีชื่อว่ามันขัดกันกับแปลนเราได้แปนอะไรมากีก่แปนท่านกล่าวทํามาไว้มากมาเพียงไรก็ออกก้านเข้ามายุ่งเราหมดก็เหมือนอย่างว่าเราจะปลูกกระต๊อบสักหลังหนึ่งเราก็จะเอาแปลน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 กล่าวเพียงเท่านี้มันครอบหมดแล้วลงสติปัฏฐานสี่เราจะไปแยกแยะไปทําทีละบทละบัาททำทีละเรื่องละลายแล้วค่อยเดินเหมือนกับเราก้าวขาไปไม่ได้ไม่ถูกนี่หลอภาพปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านบอกพิจารณากายะกายเกายาลัซีวิหารติอย่นี้เป็นต้นพิจารณากายในกายกายในกายก็หมายถึงอาการหนึ่งของกายทั้งหลายที่มีอยู่หลายชิ้นหลายอัน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 และอทุกขมาสุขเวทนาภายในใจไม่สุขไม่ทุกข์นันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอยู่ภายในจิตใจและเวทนาทั้งสามนี้เมื่อพิ จ, พจรารณาด้านแห่งความสงบมันก็มีเวทนาอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกันปกติมันก็มีส่วนมากมันมีกุศเวทนาภายในใจ ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเช่นไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเวท น, นาทั้งสามอย่นั้นก็มีแต่นี้เป็นเวท น, นาโลกโลกไม่ได้เป็นเวท น, นาที่เกี่ยวกับธรรมเวลาเราปฏิบัติธรร ม, มะเข้าไปจิตใจเรามีความสงบเย็นใจมีเป็นสุขเวท น, นาจิตไม่รวมได้ตามต้องการเกิดทุกเวท น, นาขึ้นมาบางทีมือยลอยอยู่บ้างอะไรบ้างเฮง้เฉยๆจะว่าสุขกภทุกข์ก็ไม่ใช่คำว่าเมือยลอยอะไรอย่างนี้อยู่ภายในจิต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 พ่อใหนมีสติปัญญาที่จะสลัดปัดทิ้งในสิ่งนั้นไม่มันมาถาดเพราะฉนั้นจิงต้องอบรมสติปัญญาขึ้นให้มากสติเป็นสิ่งสำคัญตามติดไม่ว่าปัญญาจะสอดแทรกประสมไหนที่นาสติตามแนยไปเลยปัญญาก็ไกรกรองไปสติตามไปมันก็ไม่เป็นสัญญาถ้าสติญญมีอยู่ไม่เป็นสัญญาเพราะเพลิดสติเป็นสัญญาไปตาม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 มันเป็นทำหรือวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยคล่องใจในเวลาเดินทางหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ได้เราจะพิจารณาสุขกคนนี้หรือไม่พิจารณาก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหรย่ยิ่งกว่าการพิจารณาทุกเวทนากับสาเหตุที่มันเกิดทุกเวทนานั้นอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนางที่ในสัจธรรมพระพุทธเจ้าท่านท่านก็ว่าทุกข์ให้กําหนดรู้นั่นแกสุขทำไมไม่ญญกําหนดรู้ ต้นเหตุของสุขคืออะไร ท, ไท่านก็ไม่ว่าเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอันอันนั้นถลายตัวงไปสุขมันก็มาแทนมาแทนมาแทนทนี่พอเชื่อของทุกเราที่เป็นส่วนที่เรศนะมันดับไปสุขอันนี้มันก็ดับไปด้วยกันแต่สุขอันอันหนึ่งที่เป็นธรรมาชาติของจิตนันก็เกิดขึ้นมาแทนที่ง่ยนะเป็นอย่างหนาถึงเวลาจะให้สงบให้สงบจิต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 หนักก็สู้เบาก็สู้ตายเป็นสู้ทั้งนั้นจนกระทั่งหมดลมพาใจแล้วอยู่มันสุขิสยัยหรือรู้แล้วอยู่เองไล่ไปไหนก็ไปปัญญาที่หมุนตัวเป็นเปียวยิ่งกว่ากร ง, งจักรนั่เวลา ถ, ถึงการแล้วก็หยุดเองหมดความหมายในตัวเองไปเองโดยไม่ต้องแบบขับไล่สายส่งเพราะรู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกละแล้วจะละอะไรอีกรู้แล้วจะรู้อะไรอี ก, ออกพอแล้วจะ